ก็จะทําไปอย่างนี้แหละครับ อ, อารยสตร์เกิดแกเกิดตาเราต้องคิดถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆว่ามันจะช่วยให้เราได้มีความเข้นแข็เวลาเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามันก็ต้องเกิดแล้วก็อีกอย่างคือเราต้องรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวอะไรี่เกิด ใจผู้พิจารณ์นี้ไม่ได้เป็นอะไรกับเราครับนิจใจเข้าใจร่างกายก็เ ล, เ, เลยไม่รู้สึกเฉยๆที่มันไม่รู้สึกเฉยๆก เ, เพราะว่ามันบอกที่ว่าร่างกายเป็นใจตอร่างกายเป็นอะไรนิจเองจะคิดถึงความแก่ทางเกิดทางตายใจมันก็ไม่สบายใจเพราะมันหลงอยอมรับที่ว่าร่างกายนี้เป็นใจ เราก็ต้องวิเคราะห์ดูการการเกิดขึ้นมาของร่างกายจับใจว่ามันมามันมาเกี่ยวข้องกันตอนไหนก็เกี่ยวข้องตอนที่มีการผสมผสมเชื้อของพ่อของแม่ในครรภ์ันราะฉนั้นเมื่อเชื้อของพ่อของแม่มาเจอกันใจที่เป็นโวงวญญาณเข้ามามาร่วมด้วยมาร่วมสังฆกรรมด้วย เพืเกิดการตั้งครนได้ต้องมีของพ่อที่ของแม่แล้วก็ต้องมีใจใีดวงวิญญาณน่เรยกว่าปฏิสมพันธ์วิญญาณมามาล่วงเพื่อจะเกิดการตั้งครรขึ้น ม, ม, มาถ้าไม่มีใจ ก, ก็การตั้งครนภ์กไม่เกิดแต่ใจมันมีอยู่แล้วเพราะมีสารโลกเข้าซีลรอที่จะมาเกิดเป็นม น, นุษยแต่าเหลือ มันก็ตรงไหนที่ก็มีการผ ส, สมพันธุ์กันแล้วก็จะมีการการสร้างขันที่มาเนี่ยเป็นที่มาของร่างกายจต่ใครร่างกายมาจากพ่ อ, อ, กอแบบนี้ใครมาจากโวงญาณของผู้ที่ตายไปแล้วที่เขามีบุญมีปัจจัยความที่จะมารับร่างกายเป็นสมบัติของเขาต่อไป าา น, นี้ก็มาด้วยทวามเหนื่ยมาด้วยวิชาเหมือนกับคนตาบอดมามาพอได้ร่างนี้พอคลอดออกมาพอเขาเริ่มมีสติรับรู้เนื้อร่างกายนี้เขาจะเรียกว่าเป็นตัวเขาที่ว่าร่างกายนี้เป็นเดียครับ อ, อย่างที่พวกเราเป็นเดียวกันพวกเราพอคลอดออกมาจากท้องแม่วันแรกเราก็ยังเงี น, เนี้ยเหมือนเรายังงอนหลักฐานอยู่อาจจะไม่รู้ ตัวก็โตขึ้นหน่อยแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่ม ม, มีความสุกพันกับร่างกายมาอย่างต่อเ น, นื่องแล้วก็ไม่มีใครเคยบอกเลยนมแต่คนเดืยวว่าร่างกายนี้้เวลาขนาดไนทุกคนก็บอกว่ า, วานี่ัเธอมันก็เลยเกิดความสุกพันเกิดควารยุติธรรมร่างกายจปอันหนึงอันเดียวกัน เป็นร่างกายกับใ จ, ใจเป็นอันเดียวกันใจค่อว่าร่างกายเป็นใจราา่รางกายคิดือไม่เป็นร่างกายไม่รู้เรื่องร่างกายเป็นเป็นเหมือนวัตถุเป็นเหมือนต้นมใจใจไม้แต่ใจนี่แหละเป็นผู้ที่รู้แต่รู้ไม่จริงรู้เรื่องวิชาปราิยาสังขารวิชาเป็นเป็นตัว ทำหลอกให้มุงแต่งคิดไปว่าร่างการนี้เป็นตัวของใจงก็เลยเกิดความผูกวันอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดการดูแลรักษาหัวงแหนแล้วก็เกิดตัณหาความยาก อยากให้ร่างกายนี้อยู่อย่างสอภัยไม่เจ็บไข้ได้ดีถ้าไม่แก่ได้ก็ดีถ้าไม่ตายได้ก็ยิ่งดีแหละอยางแม้รู้ว่าจะแก่จะตายแต่ก็ยังไม่ยอมรับความจริงนี้พยายามที่จะไม่คิดถึงมันปัญหารกของ ของพวกเราอยู่ตรงนี้เราพยายามไม่คิดถึงมันเรากลัวมันมากเรื่องความแก่ความตายคามสุ ด, สดท้ายท้ายหัวยิ่งไม่คิดถึงมันเท่าไหร่นั่นก็ยิ่งหลงมัอนอยิง่งไม่นิ่งไม่มีโครงคุ้มกันไม่มีอะไรที่จะมาไม่มีปัญญาที่จะมาแย่แยะให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรนั่นก็ อยู่กับความหลง อ, อยู่กับอุปทานความเมตตานุภาพอยู่กับตัณหาความมีตัณหาก็มีความทุกเพราะตัณหานี้เป็นสุตทไทยเรียกวาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาก็อยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาก็ไม่อยากมีอยากอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย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 ยึดติดนับความอยากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีหน้าที่นี้มีหน้าที่มาสอนให้ใจได้เห็นความจริงว่าใจไม่ใช่ร่างกาย ร, ร่างกายเป็นบุญน้ำบุญไฟร่างกายเป็นอนิจจังตถาจิตตาร่างกายเป็นกองทุกข์ถ้าเป็นยิดติดถ้าจอยากให้ เป็นอย่างนั้นจะนอย่างนี้เพราะจะไม่ได้เป็นตามความอยากถ้าถ้าจะอยากแล้วไม่อยากจะทุกข์ถ้าถ้าถ้าจะไม่ให้ทุกข์ก็ต้องอยากให้มันเป็นไปตามความจริงบางอย่างเช่นอยากแกนอยากเจ็บอยากตาอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้ไปทำตัวเองให้เจ็บ หรือทำตัวเองให้ตายหมายถึงว่ายินดีทร้อมที่จะแกะ่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายแต่ขณะที่มันยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายก็ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันตอนนี้ยังสาวยังหนุ่มก็ปล่อยก็ไปแต่รู้ว่าสักวันหนึ่งเขาก็ต้องแก่ลงไปสักวันหนึ่งเขาก็ต้องเจ็บไข้ได้เกิด ต้งองวางดาวกับต่างตานี่คืออริยสัจขกทุกข์กั บ, กกบความจริงของของร่างกายสกปรกใจต้งงจงองญาติสงสารและศึกษาทุกต้องสำรวจูต้องสำรวจดูเรื่องของกายสกับใจที่เป็นที่ตั้งของกองทุกข์ ใจก็ทุกข์ไปอย่างกายก็ทุกข์ไอย่างกายก็ทุกข์เพราะความแก่าการเจ็บการตายใจก็ทุกข์เพราะปัญหาทานไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายถ้าเราศึกษอนิพพานแล้วเราก็จะมีปัญญาเมื่อมีปัญญาก็จะคลิกความอยากให้ให้ให้เป็นตรงกันข้ามเวลามีความนหนกก็อยาก ไม่แก่อย่ากไม่เจ็บอยาไม่ตายพอมีปัญญาแล้วก็ปล่อยให้แก่ปล่อยให้จุดปล่อยให้ตายยอมรับความแก่ความจ็บคามตายพอยอมรับได้ปัญหาก็มันมันก็จะดับไปพอปัญหาดับไปนีโรคคือการดับของความทุกข์ก็ดับไปด้วยดับพอมั้ มรรคก็คือปัญญาที่เราจรียนที่เราพิจารณาอริยสัพพะข้อแรกสี่ข้อนี่มันเกี่ยวมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนึงข้อแรกต้องต้องศึกษาการจะศึกษาก็ต้องใช้ข้อที่สี่คือคือการเจริญมรรคเจรินั่งสมาธิจเจริญนิปปัตนาพิจารณาการแก่าแการเจ็บการตายอยู่เรื่อยๆ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 ก็จะไม่ได้ดังใจอยู่น่าจะทุกข์ทรมานใจเสมอเพงั้นก็เฉยๆไปจิตก็วางเฉยกับเรื่องของร่างกายมีหน้าที่ดูแลแลดูแลเขาไปอับน้ำอาบท่ามีข้าวรับประทานอาหารอนเนื้อแต่งตัวก็ดูแลต่างๆเจ็ค่า้ได้สวยก็หาหมอหาอยู่หายยารักษากันไป แต่ใจนั้จะสดชื่นเบบดมันยจ่ใใสตลอดเวลาใจไม่ได้ใจเกี่ยวข้องกับร่างกายในด้านความนึกติดในในด้านความหลงไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเราของเราไม่ได้คิดอยากให้เขาไม่เจ็บใครได้ผ่วไม่ไม่ตาย ก็ไม่มีความผิดเหล่านี้อยู่ในใจแล้วยด้ยสบายนีเรียกว่าการการทำหน้าที่หรือทำกิดในอริยสัจที่ที่พระพุทเจ้าสรสัตว่าทุกขศัพท์ที่ต้องกำหนดรู้ที่ต้องศึกษา พรองได้ชงกำหนด้วยได้ศึกษาแล้วได้ทำมาแล้วทำหน้าที่ข้อที่หนึ่งแล้วสมุดไทยที่จะต้องละก็ส่งละแล้วนิโรธที่จะต้องทำให้แจ้งก็ส่งทำให้แจงแล้วมรรคที่จะต้องเจริญให้สมบูรณ์ก็เจริญอย่างสมบูรณ์แลมีสติปัญญาเต็มที่ที่สามารถนำไป และสมิทายได้นะชุกที่มีอยู่ในใจก็ดับโดยสิ้นเชิเป็นนิโรธขึ้นมาในใจมันก็หัวใจของพระพุทธศาสน า, า, า, าก็อยู่ตรงนี้เก็ดในพราอริยสัจอยู่ตรงนี้แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึง ห, หัวใจหรือราของศาสน า, า, า, าได้ ถ้าต้องเข้ามาทางเก่งทางทางต้นก่อนเน้นหัวใจสองพุทธศาสนาก็คือการพิจารณาอริยสัจสีหรือสติปัญญาถ้ายังไม่มีกำลังทางสมาธิก็ต้องเจริญสมาธิก่อนถึงจะเท่าเทียมกับสติปัญญานี่ได้ถ้าไม่มีสมาธิก็ต้องรักษาสิ่งนไปก่อน ถ้าไม่มีศีลก็ต้องให้าะะทา น, นเป็นไปเพราะสิ่งเ่นี้จะสมัครสนุนกันเน่างนี้ท่านบังแดดทานจะทำสนุนให้ใหการรักษาศีลเป็นไปได้ศีลจะทำให้การทำสมาธิเป็นสปได้สมาธิจะทำให้การจเจริญสติปัญญาเป็นไปได้สติปัญญาเพื่อจะทำให้การหยุดพงจัดทานเป็นไปได้เปน ท่านสองเรืองกันที่พูดนมื่ี้เราพูดที่ที่ข่านสุดท้ายเลยท่านสติปัญญาถ้าฟังแล้วถ้าสามารถเจริญสติปัญญาได้ในขณะที่ฟังก็าสามารถตัดปัญหาที่มีในใจได้เลยอย่างที่พระพุทธรูปแสดงพระอริยสัจขีขั้งแรกให้แก่ท้าวปัญจวัคคี ถ้าอัญญชนัญญาก็ตปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นม า, าจิงได้มีาาการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการถอยไปเป็นธรรมดาร่างกายนี้มีาาการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการถอยไปเป็นธรรมาาดาพอจิตเข้าใจหลักนี้แล้วจัดความอยากความกลัวตายได้แล้วมันก็มันก็รู้อยู่ในใจว่าความกลัวตายในกใจไม่อยู่ ร่างกายร่างกายของใครจะตายจะไม่รู้จกักตายร่างกายของคนที่เร า, เารัภเคารพบูชาเช่นของครูบาอาจารย์เราเคารพท่านแต่เราก็รู้ว่าท่านก็เป็นเพียงร่างกายนั้นเป็นเพียงเป็นเพียงส่วนประกอบของท่านนะไม่ใช่ตัวท่านตัวท่านคือใจของท่านไม่ได้ตายไปกับร่างกายานแล้วเราก็รู้ว่า ร่างกายของท่านหรือของเรานั้นก็ไม่มีใครอยู่เหนือความจริงของกฎแห่งอนิจจังได้อนิจจังก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหยัดไปพอใจรับความจริงนี้ได้าจนี้จะใจที่จะรับความจริงนี้ได้ก็ต้องเป็นใจที่มีสมาธิอยู่เป็นใจที่ตั้งอยู่ในอดีตค้าทำแล้ว เอาได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่เกิดความสะทบกระท า, ะตานต่อทางกายอะไรแ้จะรู้สึกเฉยๆเป็นกับตายเท่ากันพอใจปล่อยวางร่างกายใจไม่ได้เป็นร้างกายใจ ร, รู้ว่าร่างกายนั้นมาจากธาตุสี่น้ำลกัน น่คืออนิสงสของการได้เข้าสารภาพพิจารณาได้ตรงได้ที่ใจเราไม่ได้ราบเลือดสนเสริสุดเราไม่ต้องการลาบ เ, เลดสนเสริสุดเพราะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันได้อะไรมาเสียมันก็ต้องจากกันไปหร้อหมดไปอยาสิ่งที่เราต้องการได้นี้มัน มันจะไม่หมด แ, แ, แต่ก็คือความหลุดแ้วจากความทุกข์เมื่อหลุดแล้วมืนหลุดเลยมันไม่กลับไปหาความทุกข์ไม่เหมือนการเจ็บไข้ได้สวยทางร่างกายที่รักษาหายแล้วก็ยังกลับไปเจ็บไข้ได้สวยได้หายวันนี้หายจากโรคนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีโรคอื่นมาให้รักษาแต่ถ้าใจหายจากการทุกข์ด้วย ด้วยปัญญาด้วยไจรักด้วยการเห็นอห็นเห็นธรรมทางจิตเห็นอริยสัจสี่เห็นใจรักแล้วใจจะไม่กลับไปคิดกลับอาเราต่อไปเพราความทุกข์ของใจเกิดจากความหลงความไม่เห็นอริยสัจสี่ไม่เห็นใจรักเหมือนกับคนที่ถูกเอาผ้ามาสิดตาแะป่อยให้เดินไป จะเดินไปชนนั่นชนนี่โนมไปเหยียบนั่นเหยียบนี่แต่พอเอาผ้าที่ปิดตาออกแล้วทีนี้ไม่ไปชนแล้ะไม่ไปเหยียบอะไรละเพราะเห็นเห็นอะไรอีกข้างนี้นอยู่ข้างหนังอยู่รอบตัวรวงตาเห็นธรรมก็แบบนีน้ก็จะเห็นเห็นใจรักเห็นนั้นที่จำทุกขงังอนัตตา เมื่อเห็นแล้วทีนี้ก็ไม่ไปเข้าใจอะไรเป็นอนิจจังท้กขังอนัตตาจะไม่ยินดีลายดยอดสารเสลดจบนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ยินดีพระขีนาศถถ้าผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วไม่มีใครกลับไปหากลับไปหาลาดยอดสารเสรเสดลดพระพุทธเจ้าไม่ได้กลับไปอยู่ในวัง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 ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนถ้าถึงเมื่อท่านยังจําเป็นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับทางบ้านเป็นทีทางบ้านนิมนไปท่านก็ไปอยู่กันเหมือนเป็นแขกเป็นอาคันตุ ก, กะท่านไม่ได้คิดว่าเป็นบ้านทั้งท่านเป็นสมบัติทุ้งทานไปถึงแม้เขาจะมอบให้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไมีการยินดีอาจจะรับไว้เพื่อ น, นำมาไปา็นามเป็นอยู่ต่อกัน ให้มาไปสมคบมุกษาันถ้าพ่อแม่มีวารรกที่ไว้ให้รักเอาไว้เพื่อใหขาสบายจเขาก็จะได้ทันทีเราก็จะได้เอาไปทำประโยชน์แต่ไม่ได้ทำเพื่อเพื่อบุญใจอย่างไรเราะได้บุญมากกว่าที่ได้จากการ ของเอาเงินเอาทองไปให้ผู้บุญนี้มันเป็นส่วนย่อยเมื่อเทียบกับบุญที่ได้จากสติปัญญาจากการหลุดพ้นจากความทุกนีมน้มันต่างกันมากับนี้เงินทองต่อให้ได้มากองเท่าผูกขาดก็ไม่มีความหมายจากนี้นี่แต่จะเป็นภาระที่มากกว่าก็จะต้อง เขาไปจำหน่ายแจกแจกให้เหมาะสมแล้วก็จะต้องเจอปัญหาต่างๆจากคนที่มีความอยากเมื่อรู้ว่าเราจะข้าแจากของแจกเงินเขาก็าจะมาลุมร้องเยู่มาแบบไม่มีเหตุไม่มีผลพอปฏิเสธเขอาไปเขาก็เสือใจแล้วเขาก็โกรขึ้นมาแต่มันก็ช่วยไม่ได้อยู่ในโรกของ ของกิเลสปัญหามันก็ต้องมีการสอนถับกจนใจไม่สะทกสะทานเอาเงินขอให้เราดูพระอริยสัจจีเปนหลักเสมอถ้ามีพระอริยสัจจีอยู่ในใจแล้วจะมีคุ้มคกันขาดดูอะไรก็ให้ย้อนกลับมาดูที่ใจของเราว่า กำลังอยู่ทางฝ่ายนักเรียนฝ่ายสนิทใจเพราทรั้งที่เราเห็นรูปเห็นได้ยินเสียงใจของเราจะมีปฏิกิรยาเกิดขึ้นกันเองถ้าเกิดคทางและทางแบนี้นก็เป็นไปทางสนิทยจาจตามทางหลวถ้าเห็นแล้ววางปล่อยวางาแต่ก็ว่าเห็นแต่ว่าได้ยินถ้าจะมีการต้องตอบ ตอบโต้หรือมีการปฏิบัติต่อเิ็นที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นก็ใช้สติปัญญาเป็นตัวนำไปถ้าควรจะพูดอย่างไรควรจะทำอย่างไรในแต่กรณีแต่จะไม่ได้ไปตอบโต้ตามอารมณ์ของความรักหรือความในต้องดู ดูข้างนอกแล้วต้องรีบกลับหันกลับเข้ามาดูข้งงานกันสิเพราะว่าใจของเราที่ทํา ง, งานอยู่ตลอดเวลาต้องรู้ว่าทําไปทางด้านไหนถ้าไปทางคนไทยก็ต้องใช้ใจปิดปัญญาใช้กายรักเข้ามา จ, าจาับกันสพอย็นดีก็ใช้ใจรักเข้ามาจาับเพามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แต่ต้งอยากได้ เห็นอะไรสวยๆนางานชอบก็ภาใจอยากได้ก็ต้องใช้การรักเข้ามาแต่ด้มาแล้วก็ทานั้นแต่ได้มาใหม่ๆก็ดีออกมีใจพวันสองวันผ่านไปก็เก็บไว้ในตู้แฝดไม่ไม่มีความหมายนะของที่อยู่ในตู้เราก็ไม่มีความหมายแต่ของที่อยู่ในตู้คนอื่นนี่มีความหมาย ไปเอาของแล้วไปให้เขาฝากก็ใสไในตู้ไปนะดูตรงนี้ก็แล้กันนะเอถ้าดูกายก็ดูว่ามันถ้ามันเจ็บก็รู้ว่ามันเป็นธรรมดามันเจ็บในงานก็ให้ถ้าไม่พิสูจน huh? ์กายอยากอย่าให้มันเล่าเข้ามาที่ใจถ้าใจไม่อยากให้มันหายหรืออยากจะ ให้มันเป็นอย่างอื่นร่างกายจะไม่เจ็บให้มันเจีบใจมันเจยบได้เยังไมัน้อหายแล้วเมตนามันก็เป็นงานิจการเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หลับไปเหมือนกันการเจ็บท่ายได้สวยถ้ามันยังไม่อยู่ในขั้นที่สามคือโรคชนิดที่สามที่เป็นแล้วไม่หายมันก็จะต้องหายช้าเรื่อยๆก็ต้องหถ้ามันอยู่อยู่ในขั้นโรคชนิดที่สามก็ต้องก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป มันเป็นแล้วไม่หายมันก็มันก็ต้องหายอย่างงูปเปลียนแั้วนี้ท่านก็หายแล้วโลกภายในก้เี่ยทหายหมดท่นอาจรย์ท่านต้องเดือต้องเรียนมากก็ทาหนูตลอดเวลาแต่ว่ามีระหว่างที่ดูมันก็ถามว่าอาจารย์เจ็บไหมสุดนะท่านก็ก็รู้ว่าเจ็บแต่ว่าไม่ต้อวิเคราะห์ลงไดูว่า การที่ยอมรับนบงงมันไม่ใย่เหมือนเรารับด้วยความจำยอมมันหรือว่าเรารับด้วยความติงเสียขาตรงนี้มันยังยังแยกไม่ค่อยออกยอย่างมีความรู้สึกว่าแต่ถ้าถามวาดีจากเดิมก่อนที่มาพเพื่อนๆจะไม่ดีกว่าอะไรเนี่ยแหลเพราะว่ารู้ท น, นได้แต่ว่าแต่ว่าบางมีแม่บางขณะที่เวลาที่ เ, เพื่อนๆนีได้ไปวัดรู้จักสบายใจคืออันนี้มีใสายเกยไปอยู่ตลอดก็จะมีความรู้สึกว่า มันจะมันเหมือนมีอารมณ์เกิดขึ้นดยลาที่เรารู้เนี่ยนะคะอารมนี้มันจะมันจะรู้สึกปวเศร้าหมอแต่ว่าเมื่อเมื่อทันมันเนี่ยก็ก็จะวางลงได้ยอมรับมันแต่ตรงนี้รู้ยอมรับเพราะความยอมจำยอมหรือเปล่ามันมันรับเป็นแบบยังไม่ไม่ถาวรขนะใดที่มีสติมีปัญญามันก็รับได้ แต่สติปัญญายของเรานี่ยังไม่ต่อเนี่พ อ, อะระยะหนที่มันเสื่อมันก็จะไม่รับงั้นเราต้องพยายามทาให้สติปัญญายของเราให้ต่อเนื่องงั้เราควรจะเจ็บเป็นปนานควรจะอยากเจ็บเป็นนานเ <c oughs> พราะมันหาเจ็บแล้วมันจะลืมมันพอมันพอล่างกายมันไปไหนได้แล้วอันนี้กิเลสมันก็จะ ออกมาออกมาละมันก็จะลืมละมันไม่ต้องมันไม่ต้องยอมละมันไม่อยู่ในที่จะต้องจำยอมมันก็จะมันก็จะไปละไปตามต่างหาทางหลับมันก็ดื้อแต่ท่านได้ได้พยายามจุดไฟเผาเหมือนที่ท่านแจำยอกนะคะกันนะคะดูตอนนี้มันจะมีทุกมันบอกว่าถ้าหักเผาหมดแล้วจะได้อะไรหลังจากการที่จะไปหากแล้ ก็ได้พระในใจเราไงไปหาพระก็เพื่อไปหาพระในใจเราอาจรย์นะพระภายนอกนี่มันไม่ได้เป็นของเราพระของเราอยู่ในใจเราถ้าเราเขาร่างกายได้จนกระทั่งปล่อยวางได้ก็จะมีพระในใจป่ากฏขึ้นมาที่ไปหาพระอาจารย์ต่างๆนี้ก็เพื่อที่ให้ท่านสอนให้เราเข้าหาพระภายใน เมื่อเราเจอผ้าภายในแล้วเราจะไปหาผ้าภายนอกให้เสียนเร็วผ้าภายนอกจะเป็นเหมือนแขนที่แต่ผ้าภายในนี่เป็นเหมือนจุดหมายลายทางที่เราต้องใจจะไปเมื่อเราเจงจุดหมายปายทางที่เราตั้งใจจะไปแเราก็ไปหาแทนที่ให้เจอในเรนวเน็วเรารู้ทางเล้แถ้ายังส่ใจที่เรายังอยากจะไปหาได้อยู่แสดงว่าเรายังรู้ทางเรายังไม่ได้พักใจ ถ้าได้ตาใจนายแล้วไม่ใจไายหรอก่จแล้วคิดว่าตอนนี้มันก็เป็นเหมือนกับว่าเราได้โอกาสที่จะได้ปฏิบัติทำเช่มขึ้นเรื่อยและเราก็ควรจะได้และควรจะเหินทำมากขึ้นกัเ แต่อาจจะยังไม่ได้มากนักคือพวกเราต้องอยู่ในสภาพจํายอม้วมันจะมันเป็นใจมันทำเวลาถ้ามันอยู่ในสภาพที่มันยังเล่นได้อยู่นี่สิเลมันจะเล่นอยู่ไรื่แต่ถ้าไม่จนมุกนี่มันจะไม่มันจะไม่สู้แต่ว่ามันจังอบจัมุูงน้ำมันหลังจิตฝาแล้วมันถอยไม่ได้นะ เราก็ต้องสู้เพราะถ้ามไม่สู้มันจะลุกขึ้มนมาจันที่เราเจ็บเราสวนเนี่ยถ้าเราเก็ดความอยากจะไปไหนยัมันจะนจทุกขึานมาใส่ขึ้นมาทีถ้าเรามีปัญญาเราทุกข์นป็นอะไรร่างอ๋อความทุกข์สมาธของเรามันเป็นเพราความอยากของเราเราก็ดับทันเสียดับก็เสี่ยงใจไม่ต้องอยากไปไหนก็อยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านใั่ ขานทุกข์กำลังใจไปอย่างน้ไถ้ามเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเห็นอย่างมันก็จะเป็นาววลรเพามันเห็นใรอการี้สมุรเงราทกขใจก็อยู่ที่่ารักแล้วถ้าตัดงนได้มันก็จะหายทุกขมาณลันใจถ้าต่อไปมันจะเห็นกับความอยากไปไหนมัน อยากจะไปด้วยนะอยากจะไปทำความดีอยากทำความดีมากขึนหรืว่าอะไาตอนนี้เไม่ไม่ไม่ดีเท่ากับการดีเทียราเราทําในปัจจุบันตอนี้เราธรนี่มันยอดขงทีนี้เิร่งเก่าเก่าเก่า่าเก่าเก่หเก่าเก่าเ่่่าา่่า่าา คือการปฏิบัติศีลในอารยศักท์ศีลทั้งสีงประการนี่คือหัวใจของส่วนยอดของการีึกษาไปทํำดูแลทารไปอะไรนี้เป็นเพียงส่วนย่อยของการทำกิจเป็นเหมือนกับไปตัดกิ่งไม้ไปตัดลาไม้ต้นไม้แต่ไม่ได้ไปขุดท่าถอนโคนต้นไม้ออกตัดกิ่งไป ตัดต้นไปทิ้งไว้มันต้นไม้ก็ยังงอกขับขึ้นมาได้ทำบุญให้ทานรักษาาธินั่งสมาธิไปทิเลก็ดับไปขึ้่อมต่อแล้วก็กงอกกลับมาเหมือนได้เหมือนเดิมแต่ถ้าภาวนาเจริญวิปัสสนาทำกิจในอริยาาสัจสี่นี้ได้แล้วกิเลจะไม่งอกลับขึ้นมา เพราะถอนร่างถอนคนเล ย, เยการเจียกิญได้สวยนี่มันเป็นโอกาสที่ดีของเราเพราะบางทีคนเรานี่ถ้าไม่บังคับไม่มีอะไรมาบังคับตัวเองมันจะไม่อยู่กับที่มันจะไปอยู่เรื่เนๆวิริยะมันจะหลอกให้เราไปทําความดีที่มันไม่ไม่สะเทือนมันตั้งบุญให้ทานนัษาศีลไปนั่งสมาธินี่มันยังไม่สะเทือนมันเท่าไรมันเหมือนกับการเจริญวิปัสสนา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 ศาสนาอื่นสอนได้ถึงขั้นสมาธิอะ่าน้แต่ไม่สามารถสอนเรื่องวิปัสสนาได้ไม่มีใครรู้อริยสัจสไม่มีใครรู้ไตรลักษณ์หรือพุทธเจ้าเพียนองค์เดียวนนอะ่างนี้อยู่งั้นพยายามสอนเน้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยให้เข้าถึงหัวใจของขอ ง, ของศาสนา พยายานึ่งคะเราต้องเวียนว่ากูกยังเป็นคนกิเลสนะเวลาที่ได้เมื่อกลับท่านอาจารย์เราได้ฟังธรรมจากปากท่านอาจารย์ต้องต้องต้องกล่าวเวว่ามันเป็นความปิติอันสูงสุดของโลกเลยต้องแค่คําหนึ่งนี้จริงๆแติไม่พอละมันต้องดิโรดเองอย่างพอก็กําลังพยายามนะทให้มันดิโรดให้ได้ต้องจัด การหาทาาั้งหาได้กามต า, าตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเพราะการออกไปแสวงบุญนี่มันจะเป็นเครื่องมือของกรารมาตัณหาไปในตัวญาโยมแถวเนี้ ย, ย, ย, เ, ว เ, ยเวลาออกพรรษาแล้วเขาชอบไปทอดกระถิ่นกัน่างเชียงหวัดเขาจะได้ไปเที่ยวด้วย <c oughs> ไปเชียงใหม่เขากจะได้ไปเที่ยวซื้อของด้วยวิเวลน์มันก็แสงไปด้วย แต่สําหรับเขามันก็ยังดีกว่าที่ไปเที่ยวอย่างเดียวเหมือนกับคนบางคนไม่ต้องทอดซาปาไม่ทอดกะทิดเลยไปทัวร์รูปเดียว <c oughs> <c oughs> อย่างนั้นยีงยิงลายขาว <c oughs> อ่างนั้นไปแบบถ้ากินเหล้าก็แบบไม่ผสมโซดา <c oughs> <c oughs> ยกเพียวเลย <c oughs> อย่พวกที่เขาทำบุญแล้วไปเที่ยวนี่เ็ยังมีผสมโซดาหน่อยกินแล้วมันยังไม่ค่อยเมาไม่เมาเหมือนพวกที่แบบไปทัวร์ร่นด้วนเลยไปกินไปเที่ยวอยู่โรงแรมห้าดาวเที่ยวแบบห้าดาวอย่างเดียวไม่คิดถึงเรื่องการไปทำบุญให้ทานที่ไหนเลยขอเที่ยวอย่างเดียวถ้าพวกเราอยากไปเที่ยวอเมริกาก็ว่าไปตามวัด ไอททำบุญบ้างอ่า <c oughs> ยังยัง <c oughs> ยัง <c oughs> จะได้ทำให้มันจางๆหน่อย <c oughs> ไม่เมามากเกินไป <c oughs> เอาไปอินเดียก็ไปทาบุญที่โรงพยาบาลเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> มันมันแสงอยู่อยู่กับท่านอยู่กับน้องจาท่านถึงไม่พาพาเองไปไ ป, ไปทาวัดคุบาจาลูก ท, ท่านท่านท่านไปรงเดียวท่านรู้ทันถ้าพาผ้าเนยไปมันโอมันก็ดีก็ได้าดีออกดีใจไดออกไปนั่งรถไจไปดูนั่นดูนี่ไม่ท่า น, มาานาาาาไม่เคยพักพาผ้าเนใไปทำวัดครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่มีครูบาอาจารย์ที่เราวุฒวท่า น, นอยู่หลปูกขาวหลวงปเทศหลงูป้านครูบาอาจารย์เ่นี้ท่านไม่เคยท่านไปเองทุกทุกทุกที่ท่านท่านเรียน แล่วไม่เป็นภาพเอะไปที่าบบคุณเห็นภาพอะไรที่โดนมาเกลี่ยแบบ้นั่เป็นแพ้แล้วแพ้ดูจะมาจากคอกแล้วถ้าสักถอยใหญ่ก็มีผ้ากุญแจโดนแล้วก็จะโบกขอนั่นแหละคอนงนั่นแหละ เป็นแท้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นชาถ้าไม่รู้ทาวินัยเป็นยังไงทำเองไม่ได้ไม่ได้หรอเดินไปท้าเขาต้องใครสงสารเข้ามาหยุดเขาก็ถามเลยก็นิ่งคนเดย้า็นน้จะทละอย่างนี้หนวอย่าง้นก็เลยังใ้อกสองกลุ่มเจอสองกลุ่มบันทึกทีแล้เราก็เดี๋ยวขอเงินขอสตางค์ข้ารถต่อเว้นตาจะถามอะต่อ อย่างนี้อย่างนี้ปล่อยท่านไปถ้าท่านสมัครใจจะเดินก็ปล่อยท่านไปเดินแล้วเราเราตั้งเดีหรืออะไรได้ไหมล่ถ้าเกิดวางเฉยมันเรื่องของท่านล้วก็อยุดไม่ไม่กลัวศาสนาจะเสื่อมนะหรูอว่าคนอื่นจไม่ดีแล้วบราตั้งเดืก็จอดไปด่าท่านเลไม่้ไม่ตจะเตือนท่านบ้างก็ลองดูเลยก็ลองดูดูหรือว่าท่านจะฟังเราหรือ มันก็เหมือนล้วเราก็ถ้ากับเราปล่อยให้สาันรับจ้ไม่ไม่ที่จะป้องกันก็ไม่เป็นไรก็ทำได้ถ้าอยากจะทำก็ทำแต่ารรับจ้างนะก็ทาได้ผลจะเป็นยังไงก็มีเอเรื่องาลองทำดูถาโยงที่ว่าทาแล้วมันทาให้รักษ <Broadway> ้างให้สั่งมใหายดีด้ัม่าเคยเกิขึ้นครับที่บั้นหมอเครื่องซื้ดีเออ่งอะไรก็อะไรของดูแล้วไม่รู้ส่งส่วน ก็ดีแล้วเป็นไงทอานหายทาน้อยลงไปไ้ยท่าน้อยไ ป, ไปไปไปน้อยลงไปดีกว่าได้จะเตือนก็ได้จะว่าไงาาก็ได้ไม่ต้องเสียหายรักษรักษาทุกคนคือถ้าเราไม่ได้บังในสาราจะต้องเสี่ยงวะนนี้หลยคนจะปัดนักการเสี่ยงปัดตาให้ที่อย่านับถือราชกานคือทุกผู้ใหญ่ทุกระดับเขาพยายามกันทุกคนจอมพลอท่้นก็พยายามจอมพลชลิดท่านก็พยายาม พระเจ้าเป็นดินรัชการที่สี่ท่านกษัตริย์ถึงกับถึงกับแยกออกมาเป็นอีกนิตรหนึ่งแต่มันต่อสู้กับกำลังของกิเลสไม่ไหวใ <c oughs> นกาบเราเป็นกองร้อยแต่กิเลสก็เป็นกองพนอะไรก็ก็ก็สู้ไปคือมันเสียเวลาเปล่าๆ เ, เรามาสู้กิเลสของเราก่อนดีกว่าหน้าที่ของเราจริงๆเราอยู่ที่การต่อสู้กิเลสงเ ชวยเราชนะกี่ิยาของเราแล้วเราก็ไปช่วยคนที่เขาอยากจะต่อสู้กีริยาของเขาแต่พวกที่เขาไม่อยากจะต่อสู้กีริยาของเขาเราอยากไปเราอยากไปต่อสู้ขเขนเลยจะเหนยกับเขาเราจะไม่เขาจะไม่รับหรอเราจะไม่ฟันแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเรา ีไม่ดีจะเป็นภายกับเราเรามาเนี่ยมามาช่วยคนที่เขาอยากจะต่อสู้กับจีนเลยที่บ้าถ้าเป็นทหารเวลารบในสงครามถ้าเป็นหมอเวลาคนบาเดเจ็บมาก็าต้องแยกคนไหนงัดรักษาได้คนไหนรักษาไม่ได้ค น, คนไหนรักษาไม่ได้ก็ปลยก็าตายไปเลย รักษาคนที่ยังรักษาได้นี่ครับเขจะได้เขามีโอกาสหายคนที่ไม่มีโอกาสหายอย่าไปเสียเวลารักษ า, าเสียยาีน เ, เวลารักษาศาส น, นมันก็ต้องเสื่อนไปตามสภาพของมันพระเจ้าก็ทรงทานายไว้แล้วว่าคงไม่เกินห้าสปีแล้วไม่ใช่ศาสตร์ไม่ใช่สถาสตร์ศาสนานีานาน้เป็นศางนาเนียว ของพระพุทธเจ้ทาทุกยุกทุกสมัยนั้นก็หมดไปตามการตายเวลาระยะเวลาของศาสนากับระยะเวลาที่ระหว่างศาสนานี่มันมันต่างกันมากกระทั่งการที่จยลกษาศาสนาให้อยู่ต่อไปสักล้อจีนี่มันถ้าจะไม่มีความหมายอะไรเลยเช่นศาสนาของเราที่ยาวแค่ห้าล้อจีนแต่ช่วงว่างของศาสนาที่จะมีอันใหม่มาเนี่ยมันเป็นกลับ จำนี่มันหบอกว่ามากกว่าล้านล้านล้านอย่างเี้ยถ้าเรารักษามันไป 100, สักร้อยปีห้าร้อยีมันจะแต่ากัน้ารักษาแบาแบไหนรักษาแต่นั้นมันอยู่แบบนี้เลยนก็เท่ามันก็เท่า เ, าเดิมมนก็ไม่ได้เลยมากตัสนิของเราทั้ง ว, ว, วนที่เรารักษามันก็เป็นสัดสนิที่เพี้ยนไปแล้วเป็นตัดสนที่เป็นตัดสนิทที่ดีมากกว่า คือมารักษาหลังนี้ดกว่มารักษาแขนแต่คนที่จะอยู่ในระดับของแขนได้นั้นมัน้อยคคือลูกจะไตหนาวคือถ้าที่ปันปันทุกสิ่ เราต้องทำบุญให้เสร็จแลวถึงเราจบัตรแางทีเราไมอมจยาใสบัตรนะแต่แต่ก็ต้องสิทธิ์ที่เราใส่บายเหมือนคามลับผิดชอที่เรานี่เันที่้เราขีดก็ให้าาคไปหนมาทำใหเริธิ์ทะ้คื้ับเค่ือถ้าเราจะทาบุญเพื่อส่วนเราแล้ว่าเราอยากจะใส่บาตไป ถ้าเราไม่สามารถหาพรที่ทำให้ใเราสมายใจได้รอเงินที่เราจะทำขบข้างเรือที่ขบขางอะนี้ใส่ไปในกรเนก่อนก็ได้แล้วรอเวลาที่เราไปหาะที่เรามีความมั่นใจเราก็ไปข้เาเราก็จะได้ประยชน์ครับกรจทุเงินที่เราใส่ในครอบครให้าไม่ไปคือว่าเป็นของอเราเราคว่าเป็นอ่งของพระแล้วแต่ว่าเรายังรอเวลาเอาไปถวกันนนเอ สิ่งที่ไม่ถูกใจเขาก็เป็นิมนตวฆ่ากันเออก็เป็นถ้านิมนต์มันก็เป็นกรรมของเราบอกเลอกนิมนต์ได้นี่คะที่คือคือตอนแรกมีนิมนต์เข้ามาท่านก็มาใส่ชุกวันแล้วแต่ก็มีเพื่อนบ้านก็จะใส่กระไหลมาแทนดูดีดูดีครับท่านเสียาจแต่ทีนี้ก็ท่านก็ไม่มีใครมาลำบากทีนี้เพื่อนบ้านเนแยวมันก็รอใส่บาตรกันดูกับเอง ก็โทรไปที่มลนะคะโทรไปที่วัดหันแล้ทานเข้าบ้านนะคทีท่านรับให้ก่นท่านจะม า, า, ารับบัตระหรือเราจะคิดว่าเป็นการให้ทานไปก็ได้คือให้ขอทานไปนะแล้วเราก็เราก็ยังได้บุญจากทานให้อยู่เหมือนกั น, นแต่เราอย่าไป อ, อย่าไปหวังอะไรจัน จากท่านที่มันเป็นัจไม่ได้ท่านเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องปรับความเข้าใจของเราว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระในระดับที่เราคิดเราควรจะเป็นแต่ท่านก็เป็นคนเป็นคนที่ต้องกินข้าถ้าเราคิดว่าเป็ะเรามีความสงสารเราก็ให้ให้ข้าวให้นักบวชกินเราก็จะได้ทา น, นได้ทานรเราจะดีเหมือนกัน ในการให้นี้เป็นการตัดความยึดติดในเงินทองของเราแต่เราให้เราก็จะจะยึดติดน้อยลงและเราจะทําให้เราเป็างสบายใจร่าเรใสเราะฉะนั้นบางทีให้ให้สุนัขก็ยังมมนะไม่ทำเสกใจได้ไม่ใก็ไม่ได้บุญเลไม่ได้ไม่ได้ทานรางวัลี เมือนก็บไม่ได้ให้อาหารกับใจการชำอยู่ให้ทานนี้เป็นเหมือนกับการให้อาหารแก่ใจนะให้แล้วเราจะเกิดความยิสรรเกิดใจสตานเกดใจแต่ทานของใจใจว่าเขาไม่น ไ, ไว้เพราะเคไม่ไ้กิอะไรเท่าไหร่เขาเป็นที่ยงไรก็พอเขาไม่ให้เขาก็เลยไกไม่อะไรกันทเป็นานเป็นทาเป็นทานนะเป็นทาน ก็ดีอย่างมันจะได้เป็นการสอนให้เรารู้จักการให้โดยไม่เลือกคนการให้แบบเลือกคนยังยังไม่เป็นสัพเพาาชัตนาะถ้าเป็นสัพเพชัตาแล้วไม่สนใจจะเป็นคนก็เป็นเบลาฐานก็ให้ได้ถ้ามีความถ้ามีความจำเป็นก็ต้องให้ก็ให้ได้แม้ แ, แตศัตรูคนที่แย่งสอมีเราใส่งเงี้ยก็ให้เขาได้ เ็าจบไข่ได้ว่วนเนี้เขาไม่มีอาหารรละสรานแล้วก็ให้เขาอย่างใช่ถึงจะเรียกเขารับนะครับถ้าเรที่าสิ่งี่ึบบ้ขันดได้ก็ถือว่าเป็นอุบายก็ได้ไให้คนเขาได้ทำบุญใส่บ า, าส่วนค่านั้นจะดีไม่ดีมันก็เรื่อง เราก็ไม่รู้คือ่าก็ยังเป็นทาสอยู่แต่ว่าเราไปเห็น้าที่เป็นเท็จแล้วมาเห็นคอยท้ก็เลยใเงปเป็นเรียบอ่าอันนี้เป็นจริงๆัน้นเถ้าไม่เคยเห็นเราก็จะไม่รู้ส็จอะไรก็อยากเป็นชิ้นหนึ่ว่านะความใจคิดว่าเป็นการให้ทานถ้ารา่ไม่เป็นถ้าไม่เป็นินก็ที่ว่าเป็นทานไปแล ข้าเปียนท่านว่าต้งพยายามทำแล้วก like ็ให้รับเปลี่ยนทันว่าถ้าไม่ป่วยตั้งนี้ก็เหมือนไม่ไม่เห็นลงศพแล้วไม่หลังน้ำตาเขาจะเวลาที่ทาธีโมแล้วจะทรมานมากน่ยแหะเวลาเจ็บไข้แรกสุดเนี่ยจะโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นนารยะยากมากเวลาตลาดศิลาของพระเจ้าก็บรรลุเป็นไ้ไหนเจบมันก่อนจะ ก็าก็รัคนนึถ้าทางดิ้นแล้ว ก, ก, นะก็เลยต้องสู้อย่างเดียวแล้วท่านก็คอยสอนคอยเศ้าสอนอยู่อย่างพระพุทธเจ้าคอยบอกคอยเนะีให้คิดแบบไหนนะเขาคิดไปครับเดียวมันก็ไปได้ ก็เลยต้องมาหาโคตรมาคพยายามพยาย่ให้เขากตัวอยาี้ย่างมายมา่านีา้่ท่านอจารจะหลบคนมีทางเแต่เวลาป่วยแล้วต้องเรียนท่านอาจารย์แล้วเป็นแบบทดสอบกำเปันยิ่งละเพราะว่า สติมันมักจะพลาดครั้งเวลาที่เกิดเกิดทุกขเวทนาคะก็เหมือนเหมือนกับเราจะต้องเข้าห้องสอบเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วว่าตันนี้ไปเที่ยวไม่ได้นะต้องรีบดูหนังสอือ<ม>ถ้าถ้าก่อนงานนั้นยังมีเวลาหาผัดไปก่อนทํารุ่นทำนี่ก่อนแต่นี้มันใกล้แล้วพรุ่นี้จะสอบนั่นเนี่ยคืนนี้เขาต้องเอาหัวดูดูหนังสอือทั้งคืนเลยนี่ก็เหมือนกันเนมันเสร็จค่ายได้เสร็แล้วมันก็รู้แล้วว่าออกแผนไม่ได้ เมื่อเมื่อเมื่อขาหักรุ่งไนรึ่งเรียนเท่านกันไม่รู้ว่าตอนนี้ยมันได้มองเห็นตัวเองแล้วว่าเรามีตุดท่าอยู่ยเมื่อตอนที่ะระยะ ท, ที่เพิ่งผ่าตัดมาสักท่างวันจำทําด้รุ่งเรียคนติดต้องนั่งสมาธิต่อต้องกว่าจะกว่จะทําได้กว่าจะรงมว่า จ, าจะะไร่ใช้เวลานานมากแต่ตอนหลังเนี่ยพอพอทําได้ได้ทําสมาธินะไม่ได้ทำด้วยร่างใายทาด้วยจิต ร่างกายอยู่ในเอเรียบทไหนก็สามารถทำได้แต่แต่ว่ามันมีเอรียบที่จะให้ผลดีกว่ารียบที่เช่นถ้านอนนี้มันจะ เ, เกิสติง่ายๆ่ามันจะหลับได้ง่ายถ้านั่งนี้มันจะเกดสติได้ยาว่า แ, แต่ถ้าเรามีสติแล้วเราอยู่ในรยบไแล้วก็ม่โตงก็เท่าท า, านตอนที่จะเรียนปริญญาต พรก็นอนปีหาสบยแต่สติของพระองคนั้นมีสติปัญญาควบคู่กันไปด้วอยู่ในท่าไหนก็ไม่หลับท่านสามารถทําสมาธิได้ทุกท่าพวกเราก็สามารถทําได้เพิ่มเยอะขึ้นแต่ผลจะต่างกันเลยมันมันสังเกตว่าพยายามนะค่านในเร่ความพยายามนั้นมันจะมีตัวทึ่ที่ตัวนันคงเป็นอารมณ์มันบอกว่า ไม่ดีอ่ะอย่าทำอย่างนี้อย่าเหยียดขาอย่าให้ยกขาก็เข้ามาเพราะยกแล้วมันข่วนหรือไม่ก็มันก็บอกว่าค่อยขาสิมันมันสู้กันอยู่ตลอดอย่าไปขืนร่างกายร่างกายมันต้องให้เป็นใจต่างธรรมหขืนแล้วมันก็เป็นโทษกับร่างกายอย่างที่พูดแหละมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายการภาวนามันอยู่ที่ใจ อยู่ที่สติสลัดจะได้ผลมากน้อยอยู่ที่สติถ้ายากจะเรื่สติอยเรื่อยๆถ้าไม่อยากจะทึะบใจน้ำทำก็ให้ทึบโรกรธทึบโกรไปวดนัวไปไหนได้หรือดูลมหายใจเขา้าใจไม่ควรจะปล่อยให้ใจทึบทึบซ่า ไม่เกดอดร้อพิญาไม่อยู่กับธรรมถ้ามีอยู่กับวิปัสสนาจะได้อยู่กับสมถะอยู่กับพิโรบทสวนต์หรือบทเทที่ฟังไปสมัครใจอยู่ได้อยู่คนเดียวอยู่บ้านถ้ามีมีธรรมเหล่านี้อยู่ล้าจะไม่ไม่ไม่รู้สึกเดือดร้อน แต่ถ้าไม่มีแล้วใจจะพุ้งชานขึ้นมนเลเราจะไม่สบายันแล้วมันก็จะไปส่งผลกระทบกับการพื้นผิวของร่างกายทำให้หายช้าจาก่านนั่งสิ่งที่มัน ถ้าปกฏขึ้นตลอดเวลามึงก็พยายามจัดดูว่าอันนี้มันเกิดจากให้มันเป็นความกลัวหรือเป็นอะไรที่อยู่มันจะเกิดขึ้นจากกระดูกที่ค่ะตรงส่วนที่เราดูวันที่มังหักทันทีนะคะแล้วมันขึ้นออกมาตรงนี้มันจะขึ้นตลอดเลยเห็นเลยใช่ไหมว่าเรามันค่อยอยู่ห้อยอยู่คือวันนั้นดูนี่อาจจะเป็นเลืสังอเกิดอะเนี่ย กพยายามทําอย่างที่ท่านจะว่าคือเอาผลที่หักนี่ออกมาแล้วเอาไฟเผา ม, ม, มันทำทุกอ่าแต่นในขณะที่เอาไฟเผามันก็รู้สึกว่าปวดมากก็เผาในเรย เ, เอาความปวดนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการถูกไฟเผาเพราะเผาจนกระทัางมัน มันกลายเป็นที่เท้าไฟดับไปแล้วมันก็จะมันก็จะหายไปถ้าเขาเล็งเงขั้นที่จิตมันปล่อยวางแยกออกจากร่างกายแล้วเพ่าันการเสพติดของร่างกายจะยแต่บังคับไม่ได้บังคับไม่ไดไ้ต้องเป็นไปโดยธรรมชาติโดยไม่ติดปล่อยวางโดยกม่าร่างกายี้นกลายเป็นี่เท่าแล้วกัน ตแต่ใส่กระดกสที่เ้านั้นใจถ้ามันามันจะปล่อยมันก็จะแยกออกาันอ่ขึ้ น, นทัคือขวที่ขาหักนะส่วนที่เป็นอะไรวร้ต่างๆเลยบั้งเกิดขึ้นไหห ล, หลส่วนในร่างกายแต่ตั้งแต่ขาหากมานีมันจะเกิดส่วนนั้นส่วนนี้เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไปฝังอยู่ในอันนั้นหรือเปล่า ก็คงจะเป็นอย่างนั้น <k> ว <começo> ่ามันเป็นเรื่องที่ิดขึ้นกัดเราแต่ก็ให้ดูอันนี้เราก็เราก็ดูส่วนหนจ่ไปกได้อาจารย์สายที่สองเราดูได้ตลอดเวลาผลผลคนื้อสัตว์นี่ไมเป็นเหตดูสภาพที่มันเริ่มเริ่มเสื่มสลายไปเรื่อตายไปสามวันตายไปห้าวันเปกแรนการกัน กระจัดกระจายเปนเป็นเศษไปเป็นไเป็นงงนาทีมันมันนี้นะทีการดหนักตัวอย่างเพื่อฟ้องอ่พอมันจะเกิดเครื่องใจมันจะได้ไม่หัวแต่รู้แล้วว่ามันต้องเป็นอย่าง้มันมันบางทีไม่ต้องพิจารณาทุกอย่างมันอยางใดอย่าง พิจารเห็นแล้วมันทําให้เราตรงได้ใช้ได้แล้วทำให้เราที่ว่าเรานี่ยังไงไงในที่สุดแล้วก็ต้องตัวคนเดียวคนอ่นเขาจะยังไงมันก็เขาจะช่วยเราเราไม่ได้เมื่อถึงเวลานั้นอย่งเวลาที่ร่างกายนี่มันกลายเป็นที่เช่าที่ถ่านแล้ใครจะมาสิดต่อเราได้เราก็ต้องไปตามตามบุญตามกรรมข เ, เราเนี่ยขายเนี่ยพวเราเนี่ยแต่ตอนนี้เราไปไปตามหลวงปู่เพลินได้แล้วนั่นก็ต้องไปของ ท, ท่านท่านไปวิมุตตแล้วไงเราไปไม่ได <c oughs> ้ก็น <c oughs> ั่น <c oughs> แหละเราก็ต้องวิมุตตอะ่ะได้ไหม <c oughs> ถ้าเราไม่วิมุตต์เราเราก็จะไปแบบผีเป็นไปแบบเศษ <c oughs> ถ, ถ้าเราไปแบบปล่อยวางเราไปแบบอาาัตตาหีอัตนอนโนมัติไม่ทิดเจะเึรื่งขาย เนีแต่ร่างกายนี้จะไม่ไม่พึ่งร่างกายไม่ยึดไม่ติดร่างกายมันจะเป็นอะไรได้มันเป็นไป ต, ต้องทำอย่างนี้ทำที่ที่ปฏิบัติมาทุกอย่างนี่เป้ามาันเป้าหมายมันอยู่ตรงนี้เนะี่ยแต่เรายังยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆยึดติดทุกคนนั้นคนนี้นยังเสียดายยังหวงยังเหีย มันก็เลยไปไม่ถึงไหนมันก็อยู่มันก็อยู่แบบนี้แหละทุกข์ว่างทุกข์ว่างถ้าอยากจะไม่ทุกข์เลยก็ต้องปล่อยให้หมดแต่ <c oughs> ถ้าเกิดคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอนี้เราก็ทุกข์ใจแทนับ <c oughs> เขาใวกรนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อแล้วก็ทุกข์ใจ ทุกอย่แต่ถ้าเราปล่อยไนแล้วเราเราดูแลเก็ต้องเป็เขาก็เป็นเราเพนีๆเราไม่ทุกแต่ล้วก็ยังทาหน้าที่เพื่อนที่ดีเหมือนเดิมอย่าพยาบาลก็ไปเรื่องเขาเขาตายเ้าก็ไปงานศพแต่เราไม่ร้องหมร้องไห้ไม่กงวไม่อะไรเทานั้นเ ตอนนี้ไม่ดีกาเลยทุกทนยากแนละ้วหวังข้าไปอุเบตถาและความน้ำใจนียนะคะตอนนี้ด้วยการอุเบกขาก็มีน้ำใจได้ต น, นถ้าอุเบถ้าไม่มีอุเบกขาแล้วไม่มีน้ำใจนี้มันไม่ใช่อุเบกขาอาจจะเป็นทางที่เกียบทางนห็นแกตัวเป็นทางกันิท ทัเป็นคามเสียเล็กๆก็ได้มันไม่ได้เป็ น, นเดืาดท้งไม่มีมน้ำใจของยี่นี้มันมันต้องเป็นเองไงใจมันเหมือนยังง ม, มันเป็นความลสี่ยงอีกแบบน่ของวเราเวลาเราเฉยมันเฉยแบบเฉยเฉยงิืได้มกกว่ แต่เฉยแบบบุเบลขานี่มันไม่ได้เฉยงงมันมีปฏิปัญญาผมดุลมันรับรู้มันมันวิเครคาะห์ปติปัญญาแล้วก็ดูว่าคนจะทำยังไงควจะพูดอย่างไงในความเฉยนั่นจานมีความสงฉานอยู่มีความผงฉัน อ, อยูมันก็มีเมตตากรุณาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตัวไหนมันจะออกมาเป็นตัวนำตัวเองถ้ามันไม่มีเหตุที่จะ เอาตัวของสาออกมากระตุ้นของสารมัก็อยู่ทั้งหมดเมื่อบางทีนี้นนก็มใช้เมตาไม่เวลาเจอกันก็ทัายกันยินน่งแย่ใจใสของความลุกให้ต่อกันเ้วยอากาศถ้าเขาเดือดร้อนเดือดรายได้โปรดไม่มีใครดูแลเราก็รับคขามาดีเลอันนี้ก็ของสารนี่แต่ว่าไรถ้าเขาได้ดีได้ดีมีการสืบพันธุก็อ่ ด, ดีด้วย ใครจะไปเที่ยวไหนก็ยินดีมีความสุขเฮ้ยดูแลอีกชาเราไม่ได้ไปเขาไปเนาะเราต้องทำใว่าท่านอาจารย์ต้องเพื่อนเขาไปชวนไปสหลังเสียต้องไปเขาไม่ได้ชาเขาดีแล้วแล้วถ้ามันไม่มีทานจำเป็นจะต้องเมตตากรุณาหรือมุทิตามันก็เฉเฉยมันก็มันก็อบไม่ไขาไป เวลาจิตมันไม่มีกิเลสหรือว่าจิตที่มันสงบเงียบเนี่ยมันก็จะมีไอไอพรมิธานสีปรากฏขึ้นมาเป็นเป็นธรรมชาติของจิตที่สงบเนีย่ยพวกคนที่ได้สมาธิเพีงแต่ได้ขั้นสมาธิเขาก็มีพรมิธานสีเพียงแต่ว่าของเขาเป็นเชยงในแต่ในขณะที่อยู่ในสมาธิถ้าพอออกจากสมาธิแล้วถ้าจิต้าไปเห็นอะไรที่เขาไม่ชอบก็ก็าาหายไปได้ แทนที่จะเป็นเมตตาก็จะเป็นความโกรธได้จะไปเห็นคู่อะไรคู่แคนเวลานั่งในสมาธิก็สบายพอออกจากสมาธิมาเห็นคู่คู่อะไรอย่างนี้มันก็เกิดความรู้สึกเจลียดชังขึ้นมาเพราะว่ามันมันมันไม่มีปัญญามันไม่แบบสงบแบบแบบสงบด้วยปัญญาถ้าสงบด้วยปัญญานี่ ไปไหนมาไหนเห็นใครเนี่มันจะไม่มีอะไรเพราะมันมีสติปัญญาคอยคุมอยู่เพราะมันจะมีอารมณ์อันนี้มันก็นจะรู้และออก น, นี่กิเลส น, นะหมายความว่าถ้าตัวนี้เรายังดับมันไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าอ่า น, นี่กิเลสต้องต้องจัดการกันนะ นั้นจะว่าภูมวิหารสิ่งนี้เ ป, นเป็นเป็นเป็นส่วนครับที่เป็นธรรมชาติของจิตที่สงบเพราะว่าไนดะ้ถ้าจิตสงบแล้วมันจะมีภูมิวิหารสิงแต่ถ้าเป็นจิตสงบด้วยปัญญาที่เป็นของพระอริยะนั้นก็จะเป็นตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือไม่ม ก, ก็ตามเวลาสัมผัสรันบรู้เรื่องราวภารกิจภูมวิหารสิ่งไดยังมีึ่งตลอดเว ก็อยู่ตามขัน้นกันด้วยนะมันขั้นขั้นขั้นแรกก็อาจจะมีไม่ครบบริบูไม่เหมือนกับขั้นสุดท้ายมีมครบบริบูเพราะว่าขั้นแรกขั้นก็ยังมีกิเลส ท, ที่ยังออกมาทำลายมไวิหารได้เ่็ยังมีราคะมีฐฐฐฐตัปิคัปอสดาบันท่านก็ยังเกิดความ ตรวได้ถ้าเกิดใครไปแต่ต้องสิ่งที่ท่านรักนี้แต่ท่านจะไม่ไปทำร้ายผู้อื่นท่านมีสีพอที่จะระงับการกระทําที่ไม่ถูกต้องได้แต่พระในใจของท่านก็คงยังขุ่นโมยอยู่ที่ใครไปคุยกับแฟนของท่า น, น แต่ <c oughs> ถ้าท่านไปถึงขั้นนาคาเมี้แล้วท่านก็ไม่สนใจแล้วเรื่องของแฟนเป็นเรื่องขอ ง, งร่างกายถ้าอยากจะเอาสร้างศพไปก็เอาไัาเพรเ า, าท่านเห็นสร้างศพอยู่ตลอดเวลาเวลาท่านเห็นนางงามตะวานันี้ท่านไม่ได้เห็นจากที่พวกเร า, า, า, าเห็นเห็นสร้างศพเดินได้ แต่ท่านก็ยังมีความหงุดหงิดใจในเรื่องอื่นเป็นเรื่องของภายในจิตของท่านเป็นส่วนเนี้ยจิตของท่านก็ยังมีกิเลสที่ละเอียท่านก็ยังไม่มีสมวิหารร้อยเปอร์เซ็นเวลาจิตสงบแล้วเวลาความสุขในจิตนี้นหายไปท่านไม่จะหงุดหงิดใจในขนาด ความสุดในความสางบของกิตที่มันละเอียดแต่มันยังเป็นอนิจจังมันไม่เคลียอนแต่พอท่านผ่านการ น, นี้ไปแล้ะทีนี้ท่านก็จะไม่มีไม่มีติเลนีแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นรงริหาลิขตต ล, ลอดเวอะใครจะดาใครจะไนั้นก็ก็เฉย สงสารก็คือสงสารคือว่ากําลังสร้างทะเลาะให้กับตัวเองเพราะกรรมมันอยู่ที่ผู้กระทําใครทำกรรมมันได้ไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นผู้ที่ถูกกระทําไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ต้องรับผลกรรมเป็นแต่เป็นแต่อาจจะเป็นรับผลของกรรมที่ต้องต้องมาเกิดต้องมาเกิดอยู่ในโลกของสรเรเสริญนัน่นเองค่ะ แา่ใจของท่านนี่หลุดจากการสัมพันิ์นิานแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอย่างที่รุกศิษยลูกหาบางบางท่านอาจจะโกรธแค้นถึนแทนครูบาอาจารย์เวลาใครก็ไปว่าครูบาอาจารย์แต่ตัวท่านเองท่านไม่ได้เดือดร้อนใครจะว่าก็ว่าไปปากของเขาแต่พวกเรามันยังร้อนแทนท่าน ว่าเรายังยังไม่ได้ต่อยกันก็ถึงที่นี้แล้าไม่แกล้งก็เหมือนเราไม่ทำกุบาจันไม่เาะใคไม่เกี่ยวกันไม่แกล่ะแก้ผ้าอะไรไม่ใช่ไม่เอาได้ยินผู้ชายอย่างน้เราคงไม่จริงเราก็ต้องปกป้องกุบบาทจันเลยอ๋อถ้าจะพูดได้เห็นด้วขอนก็พูดได้ถ้าเขาฟังอย่างเงี้ยนไมฟังไม่ฟังไม่รู้แต่กูจะไปทะเลาะกันจะไปว่ากันไปตีกัน ไปขางหน้าใครว่าหลงทฟังก็เสร็จแล้วก็ขอปุ่ยกับเขาดูทำควาคเข้าใจกันนะสิ่งที่คุณพูดมานี่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะถ้าเขายังยืนยันที่ก็จะเชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ต้องเขาร็ในสิตของเขาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกลัวเขาทางกลัวนี้เป็นเป็นความร้ายกาจของเรา พรมันสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่ได้สร้างความทุกข์กับเขาเวลเามราเกิดเหมือนกับทุกศีรษะเราเองเนคนอยังก็เจ็บนะ <c oughs> ใช่ไหมคือมีโอกาสที่แจงก็ที่แจงไปแต่ถ้าเขายืนยันเลขก็ไม่สนใจที่จะรับ ก, การที่แจงแล้วจะทํำยังไงได้ก็ต้องอุเบกขา เพชรย่อมเป็นเพชรอยู่ดีแหละทองทองย่อมเป็นทองอยู่ดีแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหรครับจริคือฐานะลูกศิษย์อาจารย์ก็ฐานะหนึ่งแต่เรื่องของคนอื่นที่เวลาท่านหรือ ว, วา่านมันก็อีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันฐานะของลูกศิษย์ของอาจารย์ลูกศิษย์ก็ต้องเชื่อฟังอาจารย์นั้นนั่นเองอาจารย์ก็สั่งสอนลูกศิษย์นี่คือ นี่คือความสัมพันธ์แต่เรามากักจะมีอุปทานยิ่งถาท่านเป็นตัวเราของเราใครมาแตะต้องไม่ได้อันนี้เป็นกิเลสแล้วรู้ปะก็เรืัองศาสนาเนี่ยตัณห์าศาสนาเป็นของเราเราต้องรักษาใครมาเป็นหนอนเป็นเป็นแมลงมากัดม า, ทาแทะเราก็ต้อง จัดการอย่างนันเรากับศาสนาเราไม่มีหน้าที่ปกป้องศาสนาะหน้าที่กอง ก, การปกป้องศาสนาก็คือการศึกษาให้รู้อย่างถ่อแท้แล้วนำเอาความจริงของศาสนาไปทำความเข้าใจจากผู้ที่ติดอยูแต่ไม่ได้มีไปเพื่อไปทำร้ายผู้ที่มาทำนาศาสนาเลยการไปทำร้ายผู้อื่นนี้ไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า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 มันมีผลกับตัวเราเองมันมีผลเสียต่อผู้กระทำ <c oughs> ผู้กันเหมือนกันใเดา่าเขาไปตอบโต้เขาด้วยวาจาอยากคายนั่นก็พอสินึกได้มาช่านี้บินส บ, บายก็เจออีกแล้วดีกันนะ <c oughs> น้องพี่น้องทะเลาะกัน <c oughs> อ้ามาก็ายไปแล้วกัมึงเร <c oughs> อเรไปฟังกาใสแล้วก็เดินหนี <c oughs> ตอนมันรู้แก่โทรศาพแล้วยุดไม่ได้แล้วเขายางใส่ผมด้วยแล้วก็มึงก็ใช้โต๊กันไม่เดินหม่นพี่น้องกันขช้ของอยู่ที่ล่างมันเดี๋ยเราเเรื่องอะไรกันมึงจะรู้เพราะธรรมดาคนลราวลาโกรน่ะมันก็จะตีสัตั้งไม่ได้หยอก แต่พวกนี้เจอไปก็หัวลากันมันก่อนก็มีงานหัวหน้าถือคนนี้เขาก็ไปร่วมงานหัวหน้าแต่เขาดึงตัรางมากไปหน่อแล้วก็าเลยี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกับพบวลแล้วไปเสี่ยวคนกับรถอีกคันนอนกลางถนนนิ่งอยู่ประมาณสาสี่นาทีพอที่เราเดินบานทบายนไปเขาตะลูอมัปตัวเขาพิ่งใสยบาตอใส่หยุด ได้สองวันก็ก็มาใส่บาทรฟ้าเขียวบอกวันนั้นเมาเลยหน่อยแล้วเมื่อวานนี้มีงานบนนะถ้าเอาถือว่าเขามีกองยาวก็ไปนอมกับคอยไม่เข็ดชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นเน่ยตันหามันมีอานาจมากความนักสนุกมันลืมหมด่ะ จารเล่าไปถึงไอ้เสียงเลยนะมาของท่านอาจาครูที่วัดทุกทองนค่ะเขาอยู่กับท่านมาตั้งนานแล้วก็เขาอยู่ปับทุมพันนี้เ้าอุตส่าห์ตามท่านไปอยู่ที่ที่บ้านถึงจนแล้วท่านอาจารย์ก็เราให้ฟัว่าจริง้เขาเป็นเพื่อนท่านมาหลายสิชาตินั่แล้วแล้วก็เป็นลูกคน้วยแล้วก็ดีเอาเมา เมาเล้าค่ะแล้วพอเพิงกลับมาเกิดชาติเนี่เป็นชุนักร์เราก็ตามขึ้นมาแล้วก็เพื่อนอาจารเล่าว่าถ้าใเขารู้สึกตัวแล้วรู้สึกสึงสรรแต่ว่าในในวัดเนี่ยถ้าวันไหนมีคนที่เมามาเขาจุด ก, กัดเลย อ, อาบน้ำสามท่านดูตรงอ่างที่นี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> พวกศักที่อยู่กับพระนี่ก็เคยอยู่กับะมาก่อนบ่งเราก็ไม่มียาจากคือบางตัวมันอาจจะมีแต่คงไม่ใช่ทุกตัวนะตัวที่มันมาใกล้ตัวนั้นจะมีแต่ตัวที่เขาอยู่ส่วนข้งเก็คงย่มี ถ้า ม, มีความผูกพันกัไม่ว่าจะเป็นต่างเทศต่างวายัยต่างต่างชาติต่างมนุษย์ต่างสัตว์นี้นก็ถ้าจิตมีความผูกพันกันเขาก็จะเข้ามาหากันเพราะจะไม่ค่อยกลัวกันพวกเราก็ต้องมีจิตอั น, านอาายามเราเป็นสัตว์นี่ความัน อ, อยู่กันแค่นั้นเราต้องเป็นเพราะถ้าไม่มีอะไรกันก็คงจะไม่เข้ามา หรืออาจจะไม่ไม่มีอะไรกันโดยโตรงแต่อาจจะมีความชอบที่เหมือนกันนอบธรรมะด้วยกันก็อาจจะมาเจอกันด้วยความชอบก็ไอาจจะไม่ได้เจอกันเพราะว่าเคยเคยรู้จักกันมาก่อนแต่เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญจะพิจารณาก็แล้วอาจต่อย่าไปให้น้ําหนักกับมันมากมันจะเสียเวลาเปล่า ให้เวลากับการดูดูจิตของเราดูว่ากำลังสมุกําลังไปทางสมุดทไทยหรือไปทางมาันเราตกลองจะจะเริ่มเดินได้เมื่อไหร่คุณคแล้วตอนนี้มันต่อแล้วค่ะเต่อแล้วแต่ว่ามองเขาบอกให้ลงน้นหนัก ยังไม่ให้เดินแต่ว่าให้ลง<ห>ทดลอง ล, อ, ลองลงครึ่งเท้าลูกก็ยังทำไม่เป็นครึ่งเท้ามันเป็นย <c oughs> ังไงก็วางไว้ที่เองเวลาวางไว้แล้วก็ปล่อยให้น้ำหนักมันลงไปแต่อย่าอย่าเพิ่งกดมันก็้ง น, นั่งอย่างนี้ นั่งลองลอาลองเอาลงวางเราลองขยับขึ้นลองขยับขึ้นนิดเดียวขยับขึ้นนิดเดียวลองขึ้นนิดเดียวนิดเดียวเหมือนกับฟันเนี่ยถ้าเราปวดเราเราก็ลองคชื่มันทีละนิดก่อนพอเชื่อมแลมันไม่ปวดแล้วก็เชื่อมมากขึ้นหักขึ้นพอไปถึงสุกที่มันปวดเราก็ลองหยุดแล้วเราออกนไม่ปวดจอย่าอย่าอย่าอย่างนี่อไป หมอก็คอยากจะให้เราเมื่เป็นเวลาที่จะใช้ได้ก็อยากจะให้เราเล่ใช้เป็นการส่งการทงกายภาพบหบัดแต่ถ้าล่อนมันอยู่ได้ใช้นนานแล้ออไปมันเชื่อมกันเป็นการเป็นไป้วยตัแต่ก็ยังไม่ได้ใช้รงอนต่อยอย่างไรก็แล้วกัรับเลยคำคำนี้สมควรที่จะรับอย่างนี้ <c oughs> แต่ไม่สาคัญเรื่องร่างกายสาคัญ่จิตใจรู้ว่าเขาดีหน้าตาแลอายเท่าเขาหน้าตาแจใสไม่เจ้าอนัอ่รับร่เท่านั้นเดนหน้นา มันจะมันก็ดูข้าวหมองกว่าเราต้องการพวกทานมานานมากเลยคพวกจะอาเจียนมากมค่รู้เขาก็เลยบอกว่าพยายามดูอย่างที่ท่านอาจารย์ให้ดูทุกดูทุกแต่ตรงนี้มันดูว่ามันทุกข์ไปหมดทุกเวลาเลยดูไม่เต็มไปทุกไปดูทุกที่ร่างกายไม่ไปดูทุกที่ใหญทุกที่ร่างกายที่ไป ไ ป, ไปเปลี่ยนไม่ได้มันต้องเป็นไปของมันแต่เราไปดูทุกที่ร่างกายแล้วอยากจะให้มันหายมันก็เลยไปสร้างทุกที่ใจทุกทีใจนี้มองไม่เห็นแต่ทุกที่ใจว่าเกิดจากความอยากให้ทุกที่ใจหายมันก็ดับท่ามทุกที่ใจนะทุกที่ใจเป็นยังไงก็ต้องน้อ ม, อมนับถังแล้วก็รับการลงโทษเราทําผิ ด, นะดแล้วกนะ็ต้องหัวเราะละ ต้องคือเพราะคือถือการเจ็บไข้ทรมานทางร่างร่างกายนี่ก็จะเป็นกการรับโทษถูกโบยอย่างนี้เพื่อทําผือแล้วก็ต้องยอมรับถืเมื่อเราดําเนินชีวิตของเรามาแบบนี้มันก็ส่งผลให้มาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรับผลของร่าทางร่างกายแต่ทางจิตใจเราถ้าเรายอมรับความจริงของร่างกายทางจิตใจเราก็จะไม่ต้องรับโทษอีกต่อไป จะไม่ต้องทุกขมาไปกับล่างกายเขาเยกนะมีความสุขจะให้ให้แผนแผนที่ทำของ้องตาจากงานศพให้กับแบบเรียนฟังฟังแผนนี้เถอะเหมือนกันเลย้องตาก็เทศให้กับคนที่ก็เป็นโรคโรคาเลยหมอบอกว่ามีเวลาหยือทีหกเดืนอนคุณขอเวลาก็เลยตัดสินใจว่าต่รักษาใจดีกว่า ทางการนี้หมอก็รักษาไม่ได้นะในตอนทีร่าน้อจ่าไปไปพักอยู่ที่รักษาลุงจ่าเป็นช่วงตอนออกพนร้าปี2518ปีเป็นปีแรกที่เราไปอยู่เราไปอยู่ใน้าใช่พอปีออกพรรษาลุงจ่าก็ไปโสดไปเทแทุกคืแล้ลออกกนลุงจาเล่ก็นนกมาพูดมาเล่าให้ฟังตอนเจ้าว่าป เ, เทศจะโกรธเรอย่างนั้น สงสารก็แต่บวดวันนี้ไม่เคยเมตตาใครอย่างนี้แต่เห็นว่าเขาเข า, เขาพุ่งมาสร้างใจมาจริงๆเขาไม่มีที่พึ่เงเลยนะเขาเขาไม่ไม่ไม่ไม่ห่วเรื่องร่างกายก็ขอมาักษาจิตใจทำใจเมตตาเข่ทุกคนนอกจากช่วงที่ท่านจิตละลรืคืนที่ท่านนั่งเทให้ฟัง ดังนั้นทนเลสอประมาณเจวันจดันที่ัป็นท่านไั้เงินทพระถ้ารู้ถ้าไม่อบรมงานนั้นเดี๋ยวใจของพระจะแตกนะแก่เราจไม่อยู่กับน้องกับรอยต้องคอยขนามอยู่เรื่อยๆเพราะงั้นจะเทสไหวอย่างในวีเกิดเนี่สี่ห้าวันท่าเสี่ห้าวันห้าหกวันที่ท่านเรียกจะน นั่เนี่ยธรรมะนี่ยมันมีความสาคัญต่อการรักษาใจเป็นธรรมะอุดาะความทุกข์ใจนี่มันทรมานกว่าความความทุกข์ทางกายหลายร้อยเท่าถ้าความทุกข์ทางใจนี่ไม่ความทุกข์ทางกายที่มันเล็ดเดียวเหมือนกับเราได้รักษาโรคไปเก้าสิบเก้าเปซนเหลือเปอร์เซ็นเดียวเท่านั้นเองในร่างกายเนี่ย โลกเรื่งความเจ็บปวดของร่างกายนี้มันเป็นเปอร์เซนต์เดียวแต่ความทุกข์าำลังใจเนี่ยเป็นเก้าสิบเก้าถ้าปดเจ็บมากก็ไม่ไหวเลยะจิตใจก็ใจไม่ไม่ไม่เป็นอย่างไรใจเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยใจเพียงแตรู้เฉยๆมันก็เป็นเป็นเป็นความเจ็บของคนอื่นก็อย่างี้รู้ว่าเขาเจ็บแต่คนคนที่รู้นี่ไม่ได้เจ็บด้วยเลยกับเขา พักที่ท่นว่ารักษาางใจไี่ไม่ไม่ทำปล่อยปล่อยทางรางกายอายุดีขึ้นมาหรือว่า้่ด้โดยโดยขนใครได้มันมักจะเป็นอย่างนั้นคนที่รักษาใจได้ดีเนี่ยอายนจะดีดีกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยก้าวสูาใจของท่านไม่ไปกระทบกระเทือนกับการทางร่างกาย